ขอนอบน้อมแด่พระศาสดาผู้มีพระมหากรุณาธิคุณนันยิ่งใหญ่กราบถวายความเคารพหลวงพ่อพระมาดิเรกพุทธยานโทรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ทุกลูกที่นั่งอยู่ด้านหลังแล้วก็จเจริญในธรรมสมมนเณนีและอุบาสกอุบาสิกาทานั่งตามสบาย กอมาพบกันวันนี้คงจะเป็นเล่ากว้างประกอบนิเสรนะเพราะว่าเมื่อเช้านี่เราก็ได้อาจารย์ผู้เป็นประธานในการที่จะดูแลการปฏิบัติเดินกรกตานี้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วแต่มาก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดในการปฏิบัติหรอกดูพวกเราทุกคนก็มีสภาวะอยู่แล้ว คงอยากฟังเดินนอกๆมั้หรือว่ายังไงโดยมากจริงกคนเราอยากจะฟังอยากจะรู้ประวัติของคนนั้นคนนี้ทำไมอะไรยังไงใช่ไหม เ, เราฟังวิธีการหลักการสภาวะเมื่อเช้าเราก็ฟังแล้วก็เลยเอาให้นหน่อยก็ยแล้วกันเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนกรกฎาคม ไม่มีเรื่องพูดอยู่เลยหาเรื่องพูดให้โยมฟังก็เดือนในกรกฎานี่แหละปีสี่สองเดือนนี้เองของวันที่สิบเอ็ดเขานัดกันว่าวันที่สิบสามจะมาส่งอาตมาที่วัดแพรแสงเทียนอาตมาก็ไม่รู้จักหรอกแต่ว่าเหตุจริงๆที่ ได้ออกปฏิบัติเนี่ยคือมันมีความโกรธนะโกรธแบบสะสมมากเลยถ้าเอ่ยชื่อไปมันก็จะไม่ดีเะเขาอาจจะอยู่ในช่วงเลือกตั้งอาจจะไปกระทบเขาก็ได้บุคคลนั้นแต่ก็ไม่ร้ายแรงหรอกเขาจ่ายิงก็าจะมาทิ้ง <laughs> แต่ว่าก็โกรธแค้นเน่ย ทำอะไรไม่ได้จะเก็บร้านก็ไม่ให้เก็บนีนะคือเขาเป็นคนมีอิทธิพลแล้วก็มีลูกน้องเยอะระดับมหาจนในเครื่องแบบก็ได้นี่เป็นบริษัทหนึ่งที่มีลูกน้องที่เป็นบริวารแบบไม่รู้จะมาหลากร้ายรูปแบบแล้วมันเป็นลูกน้องเป็นบริษัท ร, รับจ้างดูแลประมาณนี้นะ พ่ทักษี่ทักสิ่งของพ่ทักษ์ัพย์เข า, าเอามาเขาก็มาทานพื่นเดียวไอ้เราก็ทำให้ทาแล้วพอเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาก็เป็นลูกค้าประจำเรานั่นแหละในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ผู้บีอานาจเขา็ะไรว่าให้เขาน้อยไปที่ไหนทางร้านเขาต้องให้เยอะ แล้วก็ไม่เก็บตังค์ใช่ไหมคนใหญ่คนนึ้เราก็ค้าใหม่ย่าขายไปตานั่นแหลนะจะเก็บร้านก็ไม่ได้เก็บเขาก็นั่งเขาก็มีปืนเขาเป็นตำรวจเป็นนายตำรวจก็จะยิงทิง้งพู้ว่าก็ทำอะไรกูไม่ได้ แต่ท่านนี้ก็เป็นลูกค้าอุดหนุนตลอดจนกระทั่งอาตมาเลิกขายก๋วยเตี๋ยวนะสิบสองปีนะไอเขาจ่ายยิงอาตมาในช่วงนั้นไงปีสี่ก่อนปีสี่สองย้อนไปไม่รู้ปีไหนไม่ได้จำเพราะช่วงนั้นมันความโกรธมันเกิดขึ้ น, นทําอะไรไม่ได้แต่วางแผนว่าจะไปตามไปเสียบไปฆ่าเขาจะไม่ใช้ปืนหราแต่ใช้มีดเมื่อก่อนมันร้านอาหารมันเยอะ เราก็คว่าเราจะตามไปร้านอาหารแหละมึงเอ้ยถ้ากูลงมือนะจับกูไม่ได้กูไม่ใช่นักเลงป่ยแล้วนะเอออ้าวอย่าขาดสติอ่ะทาไปกูไม่ใช่นักเลงจับกูไม่ได้เราอ้าตามไปจะไปเสียบเขาตรงไหนอ่ะไปเสียบตามห้องน้ําร้านอาหารเมื่อก่อนมันจะเป็นร้านแบบมันหลากหลายนะ เป็นร้านที่มีในห้องกระจกก็มีเป็นร้านที่สวนแบบแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเนี่ยตามหน้าห้องน้ําก็จะมีคนคอยเช็ดมือเช็ดอะไรนวดเนื่อนให้บาคนปจําห้องน้ําก็มีประมาณนี้อาจจะก็มีคนนั้นคนเดียวอที่จะเห็นเราประมาณนี้วางแผนแต่ทําอะไรก็ไม่ได้เลยแต่เมาหนักทุกวันเลยเครียดแงมสะสมไง มีอะไรไม่พอใจเนีออกข้ามอะไดาบไอ้หลิวตาหัวเล่นยัองไงก็อย่า ง, ยงนั้นแหละเน็บหลังนึดเล่มฝักหนังตลนันตลันอยู่นั่นแหละในเมือ ง, องนี่นะเอ็นใครจะฉาะหลักหมดแล้วมันหมาบ้าฮะมันทําไม่ได้อยู่อย่างหนึ่งโดยที่ว่าถ้าลงมือไปนะถ้ามันพลาดมาก็คือติดคุกติดคุกก็คือหาเลี้ยงลูกไม่ได้แล้วใครจะส่งลูกเลียน จะเลี้ยงลูกได้ไงถ้าไปทําไอ้ความเคิดประเภทนี้มันเข้ามาประกอบกับกลุ่มแม่ชีหน่อยแม่ชีกลุมขายในเข้าออกเ ข, ข้าออกอยู่บ้านบ่อยแถวนะั้นก็เลยมีข้อมูลนี่แหละทีน่นิยมม่บ้านเนี่ยนิยมในบ้านเขาไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคนถูกน้ําร้อนมาเช้านี่แหละถูกน้ําร้อนในครัวนั่นแหละคุยกับชีโน่อะไร อายไม่บ้านเขาก็พุ่งีอยู่กับแม่ชีเ้าเคยบวชมาตอนอายุสิบเจ็ดนะก็เลยจะให้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนมีเข้มบ้างนี้กลุ่มแม่ชีเนี่ยเขาก็บอกโน่นเลยหลวงพ่อมาฮอดิเลงนี่ไงหลวงพ่อเรานีเนี่ยนี่เข้มใส่ใจคนปฏิบัติให้ทําเต็มที่ก่อนหน้านั้นนี่แม่บ้านเนี่ยที่เป็นแม่ชีอยู่ในครัวตอนเนี้ย เขาพยายามไไปหาพระกรมรมฐานนะไปหาที่พระที่อาจารย์ที่เขารู้จักวัดพรมจริยาวาดบ้างวัดเกศบ้างเอาธมาถอยหลังอย่างเดียวะไปแต่ตัวแต่ใจไม่เอามันห่วงการลาคะเรื่องอะไะขอโทษโยมอีกเรื่องเรื่องเรื่องนั้นแหละไม่เอาไงยังไม่เอายังหนุ่มอยู่ยังมีความพอใจในรสชาติสัมผัสทางกายอยู่ จนนั่นแหละความโกรธมันขับออกมาอ้าวเขาก็เลยนัดกันว่าวันที่สิบสามเรานึกในใจว่ามึงเอ้ยถ้ากูเข้าวัดเนี่ยกูต้องทำดีที่สุดแหละใช่ไหมถ้าเข้าไปแล้วต้องทำแต่เราไม่รู้นะไม่รู้ว่ายกมือเคลื่อนไหวอะไรนี่นะพอตกลงวันที่สิบสาม โอ้สั่งลาซะหน่อยทีนี้วันที่สิบเอ็ดเพื่อนรุ่นพี่มาบอกว่า <c oughs> พ่อนอนรอถอดสายออกอยากจะหมูกอยู่คือถอดออกก็เอาไปบ้านนโนนบัวที่รัดยาว <c oughs> ก็มานั่งอยู่ที่ร้านเราเราก็ขนมาเราก็จะสั่งลาเพื่อที่จะมาแพ่แสงเทียน คือตอนที่สิบสิบเอ็ดเดือนนี้กรกดาเนี่ยแล้วก็ตอนรับเพื่อนด้วยกับแก้มทนายมาเขามายี่ห้อไหนมียเขามายันเก็บล้านคือเช้าเช้ามันก็เป็นวันที่สิบสองใช่ไหมเก็บเก็บล้านมาถึงบ้านแล้วก็เก็บของเก็บอะไรแล้วก็ล้มตัวลงนอน หลับได้นื้เดียวไปพ่อเมืองลุกไม่ชี่คืนนัดไปวันนี้วันที่สิบสามไม่ว่างโอ้ยลุกขึ้นมาโหที่สุดเลยแต่เขาเตรียมไว้หมดแล้วนะกระดาษเช็ดชั่วกระโถนกระถนอึนของเด็กๆเนี่ยกระโถนอุจะละเตรียมไว้ให้กระเป๋าพ้าห่มมุม้งเราลวัวผีเ็าเตรียมให้เสร็จเลยจะได้ไม่ต้องออกไปไกล เนเตรียมไว้หมด <c oughs> เรีนพระอาจารย์ฤาษีเลยพระพี่เลี้ยงก็พระอาจารย์กระสินอยู่ตอนนั้นแล้วก็ท่านชานที่เข้ามานะเพราะเตรียมไม่ให้ลุกขึ้นมาได้แว็บแรกมาเลยโกอดด้วยแล้วแว็บก็มีด้วยไอ้หาไอ้กูยังสั่งลา กูยังใส่ลาไม่คบอี่ห้อบางอี่ห้อยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมเมกันด้วยนะแล้วก็โมโหเนี่ยน้ำลาดตัวใส่เสื้อบ้านห่อกระเป๋ า, าย่างใหญ่เลยตระมันเนี่ย <c oughs> ตะวางกลางมอไซค์แล้วก็ขับเพื่อที่จะออกมาบอลศที่ศ <c oughs> ูนย์ทารถที่นครสวรรค์จากหน้ามหลาลัยวอร์ภาคกลาง ก็ผ่านโรงแรมวชชะลนั่นแหละจะมาอยู่เทินตรงหน้าไอ้ปเมโซก็เลยพ่อแก่บ้านเน่มันโมโหมันนึกว่าแม่ชียังไงวะพวกวัดพวกพระนี่มันยังไงมันทำไมไม่มีสัตย์จักราวงล่ามันต้องเอาสัจจัชใช่ไหมมอกวันที่สิบสามเลือดมาเป็นวันที่สิบสองอี่ การสั่งลายังไม่ครบบางยี่ห้ยังไม่ได้กินโมโหนะเลยก็เลยรถนั้นมันเป็นรถมีค่าด้วยรถกระเทยก็บิดฉันเร่งกำคาาอยู่ีตอนจะออกปล่อยไว้ด้วยเลียวค่าด้วยล้อมันก็ยกขึ้นล้อหน้ายกขึ้นในบ้านเขาก็ห้อยท้ายเกาะหลังเราโมโหไงป๊อดยกวิ่งมารอหนึ่งโอ มันรู้สึกแวบกลัวเขาจะหล่นก็เลยผ่อนเขาเล่นล้อหน้าลงไอ้ความโกรธมันเบิ้ลขึ้นมาอีกรอบนล้ไงคุณผชมล้อลดยกตามความลมด้วยอ่ะเห็นไหมแย่ๆลอยยกขึ้นมาอีกรอบสองโอ้โหแล้ากลัวเขาหล่นมันสูงก็เก่ามันแรงอืโกรธไม่โกรธที่เจะเล่นเอารถจักรยานยนต์ยกล้อมาด้วยไงพอรถก็ลยมันลงก็ล้อถึงพื้นแล้วก็วิ่ง แทบจะไม่ได้ผ่อนกันเร่งเลยมีแต่เร่งกันเร่งแต่เหยียบเบรกเอาคันเร่งไม่ผ่อนเวลามันเจอรถอะไรเนี่ยอ่า น, นว่าทันหนนี้เป็นของเราคนเดียววิ่งออกกาบซ้ายเสียได้ก็ไปยูเทนตรงหน้าปาเมโซเลาวิ่งเลี้ยวซ้ายเข้าบกศออพอมาถึงบกศออถ้ารถเอี ย, ยงไล นครสวรรค์เชียงรายก็วิ่งมาจากกรุงเทพแล้วล่ะกรุงเทพหมอชิดแวะนครสวรรค์เนขึ้นรถเห็นแม่ชีชุดขาวหอโล้นกันหมดเลยไม่รู้กี่คนนะไม่ต่ำกว่าสามเขาเมานะไม่นับจํานวนแต่คิดว่าไม่ต่ำสามเลยมีโยม ส, มสวยๆคนอแล้วแม่ชีนําทางอีกคนนึงโยม ส, มสวยๆมาปฏิบัติด้วยคนยมสมสยยคนึงกันเล่า ผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งพอเห็นแม่ชีปั๊บเท่านั้นแหละแม่ชีก็คุนกันก็เป็นโยมพี่นี่แหละเขาเข้าออ ก, ออกอยู่บ้านเรื่อยแม่ชีน้อยบอกว่าทำจริงนะมาบอกคนกร็รักตัวทำให้จริงนะแมชีน้อยบอก โอ้จะทําหน้าให้เาออกกำลังเลยนะคือมันโมโหมากๆไงโยผมนะผมเนี่ยคนจริงทาจริงให้หนู้มแม่ชี้เจะกลัวเราเราใส่ไปกันเลยผมนะ่ะคนจริงผมมาทําจริงแต่เราไม่รู้ว่าจริงอะไรหแต่รู้ว่าเราเป็นคนจริงทีนี้ก็ ขึ้นรถแล้วแม่บ้านนะเนี่ยก็บอกว่าจ่ายค่ารถให้ไมช่ชีด้วยนะจ่ายไม่จ่ายไมช่ชีด้วยจ่ายให้โยมตามที่ตามมาด้วยพูดเล่นตอนนี้นะซื้อเปียกินจะมีประโยชน์กว่าแร้วไม่ <c oughs> จ่ายตังค์ออกตังค์เขเสร็จแล้วแล้วก็นอนไปในรถปกติคนเมารถอยู่แล้วโอเคอยังเมาค้างมาคืนอีกกับแก้มออกฤทธิ์อีก กว่าจะมาถึงมาถึงแพร์บอกให้จอดปั้งก็ไม่จอดท้องเราจะแตกกได้เลยทีนี่เกิดมากูนี่แหละจะเป็นคนขี่แตกทีบ่บอกก็ซ้อที่สุดเลยมันจะอายคนที่สุดเลยกันละกันเลยรถมันก็ไม่จอดไงโอ้โหทรมานที่สุดเลยเด็กรถก็แล้วคนขับก็แล้วเอไม่ไหวแล้วได้แต่อดทนแล้วอดทนเต็มที่เลยกับการ ปวดหนักเนะี่ยินของที่มันร้อนๆทั้งคืนเดินทางทั้งวันรถก็อยู่อย่างเงี้ยจะไม่เมาไปไหนปากออกไม่ได้ก็จะออกล่างออกล่างก็ไม่มีที่ให้ออกเองที่ น, นี่ห้าสิบโลไหมจากแพร่ไปหาร้องกวางใช่ไหมแล้วย่าร้องเข็มตรงนั้นนะ่ะมันจะมีห้องน้ำอยู่ใช่ไหมน้นกิน เป็นตรวจเนี่ยแวะเข้าไปใช่ไไอ้ส <c oughs> ีแยกร้องเข็มร้องกวางนะี่ะเลี้ยวซ้ายเนะ่ยมันจะเป็นที่รอรถเขาแล้วจะมีห้องน้ําอยู่ตรงนั้นแหละเราขอเข้าตั้งแต่แผ่ผ่านปั๊มไหนปั๊เจอปั๊มเอ็โซ่ที่เราบินธบัตใช่ไหมวันแพ่บินธบัตจะเป็นปั๊มเอ็โซ่โอ้โหกูถูกขวยโชคดีที่สุดเลยแฮาอีกไม่แวะอีกเดี๋ยวก็จอดแล้วครับอังอา ไหนเนาไปอีกสไลด์อนนีน้เออพอดีจอดให้คนลงให้คนขึ้นไอเราไปเข้าห้องน้ำมันคนมานานได้ไหมกับแกมก็ปิดเีลนร้อนๆท้ออองอันนี้นี่กนานสิโอโหเหลือเราคนเดียวขึ้นรถได้ไปเลย ไปอำเภออะไรเบอร์สองแบเมาสองแถวกลับมาอีกสามร้อยโอ้เสียดายเงินค่าเบียนเ <c oughs> มารถเขารับส่งเรียนไปดีนักเรียนกำลังเลินพวกนั้นเย็นแล้พวพอกลับมาถึงปุ๊บกาเขาให้พาไปกาพะจรจารกสิทธิ์าท่านว่าตอนหลังบอกว่าเหม็นเล่าหึงเลยแต่เราไม่เหม็นหรอกเพราะมันอยู่จะชินไง เหมือนนอนอยู่ใน่วงใช่ไหมเนี่ยก็เลยท่านกำคาไปดูกุดให้ไปอยู่กุดเอาผลไปเลยกระเป๋าไปก็เดินข้อเท้าแพงเจ็บเจ็บกุดไม่มีอะไรหรอกเหมือนหางนาล้างล้างม้งเขียวล้อมข้างในเดินสั้นๆ 8, 9, 7, 9, แปดเก้าเจ็ดเก้าเราธรรมดาเนี่ยสั้นมากเลยทีนี้ก็ออกมา ท่านก็ให้มาเดินตรงกลมอยู่หน้าสลารอถรมวัดเดินอยู่ตรงนี้นะเห็นไมคนจริงคนซื่อแล้วท่านก็ไปนั่งคุยกับโยมรอธรรมวัดนั่งคุยกับโยมที่หน้าโรงครัวแล้วก็หันข้างมาให้เราแล้ก็มองเราด้วยเราก็เดินอยู่ตรงนั้นแหละเกิดมาไม่เคยเดินกลับไปกลับมาอย่างนี้เมา เมาโกดก็เมาอยู่แล้วนะใช่ไหมติดตามข่าครับเขาเมาเหล้าก็เมาอแล้วเมารถก็เมาอีกแล้วไอ้มาเดินกลับไปก็มาก็เมาเห็นไหมมันทุกข์อมันจะเห็นไงก้าวนี้กูจะหยุดก้าวนี้กูจะนั่งก้าวนี้กูจะหยุดก้าวนี้กูจะนั่งไอ้จะนั่งปุ๊บก็มองอาจารย์ท่านบอกว่าให้เดินตรงนี้นะด้วยคําว่าให้เดินตรงนี้นะไม่นั่งไงแล้วก็ไม่หนีไง เดินจนไอ้ที่มันเจ็บจะตายนะเจ็บที่ข้อเท้าแพงงนะ่ายคิดว่าถ้าอยู่บ้านนี่เป็นหลายอาทิตย์แล้วก็เสียเงินต่เดินกลับไปกลับมาทำไมมันเจ็บขนาดนั้นทำไมมันมันหายไปไหนแบบริกฝ่ามืออย่างนี้ไงมันก็เห็นความแตกตา่างพอเข้าสลานีไม่รู้ว่าอาจารย์ดวงศิลนเอาบทนี้มาใช้ตั้งแต่วันแรกต้อนรับผมหรือเปล่าใครเป็นคนนาสวดไม่รู้วันนั้น จะมีพู้อาจารย์น่าจะเป็นพู้อาจารย์ดวงศินป์อะไเป็นคนใกล้ไมหน่อยตอนนี้ชายได้เป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการพ น, นันได้ทำลายทรัพย์ที่หามาได้ให้พี่นาถชิบหายไปแงะสะดุ้งเพลียเลยเข้าในนะ <c oughs> โอ้ทีนี้เราไม่มีสตินี่มุ้งลวดไม่มีนะแค่แสงเทียนแแบบสลาหลังเก่ามากมากอะสิ่งนั้นยุงนี่เต็มมาเลย ไม่เคยใส่ชุดขาวเราใส่ชุดขาวครั้งแรกเรามีแต่เลือดเต็มหมดนะเอ้าเราคนอื่นเขาทําไมไม่กัดแล้วก็มาโทษตัวเองเราบาปแต่ตัวเองนไงนะแต่มารู้ตอนหลังโอ้ถ้าไม่ตียุง ม, มันก็ไม่มีกินเลือดมันก็ไม่มากัดเราตอนหลังรู้นะตอนนั้นอนะมองดูตัวเองมันแดงไปหมดเลยมีแต่เลือดแต่คนอื่นไม่เห็นมีก็ไม่ลุ้มแต่เราอู้บ่บาปไหลเนี่ยเรา น, ะนี่ลเลยตั้งใจทํา ได้เลยได้ตอนเดินตรงนี้นะได้ตอนทําวัดจิตก็เริ่มเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่มีสติหรอกอเช้ า, ชามาก็พระอาจารย์ก็ตัวต่อ ต, ตัวเลยพรอาจารย์สินเนี่ยจะนั่งต่อหน้าอย่างเงี้ประกบข้างประกบหลังทั้งวันชัดแบดเลยเหมือนบูทุต <laughs> บูทุประสบการณ์ไม่มีพูดไม่มีสอนทำอย่างเดียว รู้สึกตัวให้เฉยเนี่ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกเนี่ยถ้าท่านไม่ว่างพระอาจารย์ดวงศิลปรกรเป็นสองลุมหนึ่งนะครับพอได้สักยกมือเป็นอะไรเป็นนี่แหละไปเข้าคุณเขาคงจะไม่เขาคงจะไปทํางานนั่นแหละพระอาจารย์ ท, าท่านก็ทางานเทถนนทางรอบทางเดินประมาณเนี้ยเอารถขนทรายผสมปูนลากกองกังกองกังกองกัง ให้เราไปอยู่ในกุฎไม่ทํำอะไรยกมัอซ้ายยกขวากระเดินยอกลมวิ่งเป็นไก่ในสุมเลยทีเนี้ยให้อยู่ก็อยู่ตรงนั้นแหละห้ามออกมาเห็นไหมครูบาาห้ามออกมาอยู่ในนี้แหละออกไปได้เฉพาะเข้าห้องน้ําสุดยอดไหมเราเซื่อไหมเราเชื่อท่านไหมท่านที่เจอกันครั้งแรกเราก็ทําตามที่ท่านบอก เราก็เข้าอยู่นั่นแหละโหต้องรอปวดถจงจะออกข้างนอกได้โหเมันไก่อยู่ในสุ่มเนะเจ็ดเก้าวิ 7, 9, ่งไปวิ่งมาตั้งแต่ไปจนถึงวันที่มันแยกระหว่างกายกับใจออกเดยวกันสองวันมกว่าสองวันไม่ถึงเที่ยงเนี่ยทําความรู้สึกตัวอย่างเดียวนั่นแหละมันได้เพราะอะไรมันทำได้เพราะอะไรเพราะมีอาจารย์ดี ดียังไงะระฆังยังไม่ดังมาปลุกเราลุกแล้วอ่ะปกติอาตมานอนตอนไหนนอนเช้าตื่นบ่ายขายของทั้งคืนยังเช้านอนสามโมงสี่โมงเช้าไปตื่นเลาบ่ายสองบ่ายสามนอนแค่นั้นะระฆังยังไม่ดังมาถึงเราแล้วบางทีระครังดังมาถึงเราแล้ม่งถึงเราแล้วเข้มลุกอย่างเงี้ย ทาไม่เห็นความต่างระหว่างที่เราไม่ศรัทธาพระจะรย์ต้องไปทงานทั้งวัน อ, อ้าวพระนี่เขาไม่ได้นั่งไม่ได้นอนเไม่ได้นั่งคุยกันเดฉันเข้าแล้วก็เห็นไปยกมือเดินยงกลมไปยกมือเดินยงกลมก็ทํางานแก่งเก่งเก่งเก่งกั น, งง น, ก, ก, นก็เกิดศรัทธาแต่รูปข้างๆที่เก็บร์บะลมกุศลติดกันน่ะนั่นก็เอาตั้งแต่นั้นตีสองกว่าตีสองบางทีกึ๊บครับตอนเกียร์บะลมอะ่พะพ่ออาจจมาอยู่สิบสี่วัน เห็นหน้าก็อุ่นใจนะอ็คงจะเป็นคนอีสานอุ่นใจหน่อยของเราไม่หลงทิศหลงทางอะไรมากกันนะคือมาใหม่ๆแล้วมันงงหมดไงยกมือสั่งนาะว่าเอ้เราก็ว่าเรามาขึ้นรถอยู่ในเมืองไทยอยู่นะแล้วรูปหลวงพ่อเทียนทำไมใส่อะไรำดำๆเนี่ยเหมือนคนจีนแล้วปฏิบัติทําทำไมยกมืออย่างนี้งงไงเข้าในสลาที่แรกนะแต่พอเข้ากดเก็บอารมณ์แล้วเนี่ย มีอาจารย์คอยเดินผ่านคอยให้อารมณ์คยสอบถามมีอาจารย์อีกรูปนี้ท่านเก็บอารมณ์ก่อนหน้านั้นแล้วท่านก็นลุกและไอ้กดหลังนั้นเราเคยไปเก็บอารมณ์อยู่เหมือนกันโทษท่านไม่ได้เตียงมันลั่นเวลาลุกมันมันจะลั่นปุ๊บเลยกดนั้นน่ะเหมือนปกคนอื่นไปด้วยลั่นกุ๊กับเปิดไฟเดินวงกลมอา้าวเราก็เก็บอยู่ตรงนั้นท่านทําเราก็ทําตามท่านก็ท ำ, ท ำ, ทำ นะโดยอาศัยกัลยาณมิตรที่เราไม่ได้พูดไม่ได้คุยด้วยเห็นทําก็ทําเหมือนกันเรามาอยู่อย่างเงี้ยเห็นคนอื่นทําก็ ท, ทําทำไปความรู้ประเภทเนี้ยสภาวะที่สัมผัสมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการอ่านการฟังนะจะเห็นนะระหว่างอาจารย์พันธุ์ทินจีท่านพูดอาจจะมีที่เข้ามาที่เป็นประเด็นที่ มีกำลังใจแต่ตัวการกระทําจริงๆก็คือการเคลื่อนไหวอะไรของร่างกายนะเข้าไปรับรู้ก็รู้เนี่ยก็อย่างเงี้ยก็รู้รู้เด็กนิ้วทีละกระดาษก็รู้แต่ยุตให้สนิทดับเล่นๆเนี่ยรู้รู้มันไม่รู้ก็รู้ว่ามันไม่รู้ก็แค่นี้นี่คือเครื่องมือตั้งแต่เบื้องต้นบันไดขั้นแรกยันบันไดสุดท้าย ก็ใช้อันนี้แหละรู้สึกตัวธรรมดาแต่ทาเราทำเล่นๆ เ, เรานิกว่ามันไม่ไม่มีประโยชน์ถ้าเรายังไม่ยังไม่เห็นผลเราคิดว่ามันมันเล่นเกินไปเมือ่อการรับรู้ลมหายใจที่เป็นธรรมชาติเขาเข้าออ ก, อก เ, เข้าออ ก, อกมันเป็นความละเอียถ้าถ้าจะบอกว่า มันได้ประโยชน์จากแต่ละขั้นละขั้นไปเนี่ยเขาเรียงไว้แล้วตามตำราแต่จะมาอยากจะบอกว่ามันมีประโยชน์บั้นปลายในขณนะจะหมดลมก็ได้เพราะจิตมันจะมาก่อจากจิตที่ไปรับรู้อารมณ์เนี่ยมันไม่มีที่เกาะมันมารู้ที่ลมที่เป็นปัจจุบันขนานดะชัดๆจิตเลยไม่มีมันก็เลยมีแต่ตัวรู้รู้เฉย มันเลยไม่มีสังขารใช่ไหมในวินาทีสองวินาทีนะั้นเนี่ยมันไม่มีสังขารมันเลยจะรู้ที่เสยนี่คือประโยชน์เราเอาอะไรก็ได้ให้จิตมันเกาะไว้ก่อนจนมันเลิกเกาะมันก็จะเหลือแต่ผู้รู้ที่หลวงพ่อดีว่าไว้แล้มันว่างจากจิตน่เลยว่างจากจิตทีนี้เมื่อ พูดถึงลําดับครั้งแรกที่ออกมาเพราะอย่างนี้มาแล้วมาปฏิบัติอย่างนี้อาศัยเป็นคนจริงแล้วก็ทําจริงทําซื่อๆที่เฉยๆนี่แหละตรงๆต่อเนื่องธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ขยันทําแต่ว่าส่วนอื่นที่จะยกจิตยกใจเราให้ได้ก็คือมีพระที่ท่านทําเป็นตัวอย่างอย่างพระอาจารย์ดวงศิลปกลับรรมาจากบินทบานต้องไปปัดกวาดเช็ดถู ก, กุดลมพ่อกัดขุดลมญาติเราก็อยู่ตรงนั้นเราก็เห็นอยู่ เราก็เห็นพระไม่ได้อยู่เหมือนที่เราเห็นเลยอันนี้ก็เป็นอันหนึง่งที่ทำให้โยมต้องปฏิบัติไม่ขี้เกียจที่ค้านในการปฏิบัติส่วนสภาวะนั้นก็เราก็สัมผัสอยู่แล้วละ่ะทุกคนที่นีเพื่อเป็นการโยมได้รับประโยชน์บ้างจากประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นเที่ยวที่แล้วนี่เอาปีสี่หกใช่ไหม จำได้นะโยมเดือนที่แล้วเราจะมาพูดถึงปีสี่หกใช่ไหมเรื่มหมดแล้วนะโ ย, ยมที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ววันนี้เปิดประเด็นปีก่อนเข้าเขาจะยิงทิ้งทำอะไรเขาไม่ได้ออไปไหนก็ไม่ให้ไปนั่งอยู่นัแหละร้านก็ไม่ได้เก็บเครียดอึดอัดขัดเครืองน้าดูเลย และอาการโกรธอย่างเงี้ยทําให้เราโกรธหนักขึ้นหนักขึ้ น, นสะสมเป็นเดือนเป็นปีขึ้นมาอันนี้โตขึ้นมากเลยอันนี้ก็คือสาเหตุได้ออกมาทีนี้จะเอาเข้าไปปีห <c oughs> ้าสามออกจากที่บวแล้วกัแล้วกันบวก็บทวัดแพร่แสงเทียนนั่นแหละกดผมเอง <c oughs> กดแล้วก็ไปใส่ใต้โบสถลยอธิษฐานขอยังไงก็ขอให้อยู่ใน การบวชนี่ตลอดชีวิตเออกันแล้วกันคืออธิษฐานอย่างนั้นพอออกมาเนี่ยเราเห็นผลจากการเจริญสติแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมารักษารูปแบบวิธีการแทนแหละ ร, รักษาอุบายของหลวงพ่อเทียนหรือรักษาอุบายของพุทธเจ้านี่แหละที่มีสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละสักคนหนึ่งแม้ไม่ได้เป็นผู้สอนแม้ไม่ได้มีวัดใหญ่ตัวมีชื่อเสียงมีราบสักกะอะไรก็อยู่เก็บตัวธรรมดามาเนี่ย ก็เลยอธิษฐานอย่างนั้นไว้เหตุ hey, ที่เป็นสำนักแห่งก็คือนั่นแหละมันปรับตั้งแต่เป็นโยมเพื่อที่ออกมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เพื่อล่อที่จะได้ไม่ต้องมาเกิดประมาณนี้การเตรียมตัวก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้พอปีห้าสามหลังจะบวชเสร็จแล้วเนี่ยพระเาจารกิจก่อนหน้านั้นถามเคยเคยเห็นแต่หนังสือการเข้าค่าย เขาเมาชาเล่อะไรเขาเมาอะไรประมาณนี้หลายๆตัวอย่างก็เลยถามว่ามีเข้าค่ายไหมพระเจ้าอังกฤษบอกว่าไม่ได้เข้านานแล้วไม่รู้ท่านเอาไว้ในใจเปล่าไม่รู้พอระราบาดปุด๊บท่านจัดเลยจัดให้หนึ่งเดือนที่ค่ายบ่อกแก้วพอออกจากบ่อกแก้วก็ไปพระธาตุน้องสามเหมนไปพระธาตุน้องสามเหมนวันที่สิบสองถึงวันที่ ยี่สิบงานอบอมรมสัมมนาพระธรรมพิเนปีนั้นที่นี้พอวันที่สิบเก้าเนยหลวงพ่อโทให้ทางวัดถ้ำเนี่ยเข้าไปรับทีมพระของวัดแพร่เนี่ยไปหาหลวงพ่อที่วัดถ้ำก็ไปกันวันที่สิบเก้าไปถึงก็ตอนเย็นละไถึงตอนเย็นนเนอน <c oughs> ตอนเช้า <c oughs> ตอนเช้ารับข้าวต้มรับข้าวต้มกับใบหอมเสต็บใบไรร้น เ, เย็นอะรพอฉันข้าวต้มเสร็จเนี่ยทมพระอาจารย์มกิจก็มีท่านอาจารย์กิจมี <c oughs> ท่านที่นันท่านวันชัยท่านแรกที่สร็จไปนั่นอีกหลายรูปอยู่แล้วห้พระอาจารย์สภพงพาขึ้นเที่ยว่้ำ ที่เหลืออยู่ก็ท่านอาจารย์กบกับท่านแสนที่สึกไปนั้นหลวงพ่อให้ช่วยทําสะพานข้ามคลองหลังวัดถ้มที่นี้เช้าวันนั้นนี่จะเป็นเช้าของวันที่ยี่สิบกรกฎาเดือนนี้ปีห้าสามมันเกิดอะไรขึ้นกับอาตมาระหว่างเดินเที่ยวถ้าขึ้นถ้ากันนั้นปวดปัสสาวะ ก็เลยแวะข้างทางกลุ่มพระกลุ่มอาจารย์ก็เดินก่อนเราก็แวะข้างแล้วก็ปัสสาวะเสร็จก็เดินเข้าทางพอเดินเข้าทางไปเนี่ยพอไปถึงท่านท่านหยุดนะท่านเหนื่อยท่านก็หยุดใช่ไหมพอไปถึงท่านท่านก็ไปต่อเรามาก็เหนื่อยแต่มาก็จะไปต่อไม่ไหวก็ฝืนไปฝืนไปฝืนไปก็ห้อยหลังไปเรื่อย พอตามไปถึงอีกท่านก็นไปอีกเราก็หยุดใจมันเต้นเราฝืนไปไปถึงท่ทานทนไปต่ออีกเป็นละรอกอย่างเงี้ยอาทมาเราฝืนฝืนฝืนเกิดอะไรขึ้นใจมันเต้นเร็วเอ็นตบบตบตเต้นเร็วอ้าวมันไม่ไหวเต้นเร็วนางคนเห็นจีวอนที หัดคออยู่นั่งกดเห็นมื อ, มอห้อยขาห้อยสั่นเทายังตายออกเต้นเร็วจัดลื่นไปทั้งตัวเลยแล้วก็อุตละแตกแต่ก่อนแนนั้นเนี่ยมันกลัวจะตายไม่สวยมาลอวจิวรมาห่มมาคอยห่มจิวรไว้จิวรมาคุมแล้วก็ดังมือเท้าสั่นเทา ยุงก็จับแล้วเริ่มจับเหลืองไปหมดละมือไม่มีละ ม, ม, ม, มันไม่เต้นไอ้เนี่ยหัวด้านซ้ายเนี่ยมันเหมือนแตงโมถูกทุบแตกซาเลยพธมาพูดถึงชาเพราะลำดับของเก่าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในเร็วมากแต่บอกว่าเอาวันนี้เป็นวันตายของเราเลยโอย สร้างสำนักไว้เองยังไม่ได้เข้ามาอยู่เลยเพิ่งบวชยังจำอยู่แพร่แสงเทียนอยู่ที่หลวงพ่อว่า้านทร้านทำว่ า, ท ำ, า, ท, ำาทำแสงเทียนนอ้อาวแล้วใครจะอยู่เป็นเพื่อนโยมอุปทานเป็นเพื่อนลูกถ้าตายตอนเนี้ยไอ้เรื่องประสบการณ์ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาครั้งแรกเนี้ยมันจะหมดไปตอนนี้เหรออ้อาวแล้วไหนว่าจะมาแทนคุณหลวงพ่อมาหาแทนคุณหลวงพ่อเทียนจะมารักษาพุทธศาสนาต่อยอด แทนผลพระพุทธเจ้าเนะี่ยมันจะตายวันนี้แล้วนี่อะอะไรของที่เกิดขึ้นสดๆอย่างนี้จะกลับไปบอกเขาได้ยังไง <c oughs> จะกลับไปบอกเขาได้ยังไงเออ่ยไอ้สดๆอะไรของที่มันเกิดขึ้นของที่มันเกิดขึ้นก็คือจากคนที่ไม่รู้ทําจากคนไม่อ่านธรรมะอ่านแต่นังสือโป๊เปลยแหนะปุกอารมณ์นะคนละเรื่องใช่ไหมที่พอเราปฏิบัติเนะ่พอมันจะหมดไม่หมดเนะี่ยอารมณ์ ที่เราดูวีดีโอสมเด็จโตมลณภาพอา่านประวัติหลวงปู่เสาที่มลณภาพหลวงปู่สายป่าที่มลณภาพชอบอ่านเอบอ่าน ห, หรือเราทาทานหรือเราทำบุญหรือว่าธรรมะที่เรารู้หรือประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยมันไหลมามันไหลมาห้อมล้องจิตที่มันกำลังวิตกวิจารณ์ว่าเราจะจาก ยอมเมาบาตจากลูกจากสํานักที่สร้างไว้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่จะตายวันนี้เนี่ยและกระแสที่มันไม่ติดครูติดอาจารย์ก็โผล่ตอนนั้นแหละเพราะว่าในขณะสดสดนั้นให้อาจารย์ย้อนกลับมาหามเราไปโรงพยาบาลก็ไม่ทันเพราะมันเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเมื่อจิตมันยอมรับกับการยอมรับแล้วมันกลับว่ามีความสุขที่สุดกับการตาย ไม่ได้ชวนให้ตายนะแต่พูดว่าสภาวะของความที่มันจบนั่นแะเป็นความสุขที่สุดเลยหมดภาระหมดสังขารการปรุงแต่งไม่ต้องมาแบกเวทนาที่เกิดขึ้นทางขันเลยเบาที่สุดเลยละอิสระที่สุดเลยพร้อมที่จะจบที่สุดในขณะนั้นน่นแหละขอยอมรับปับ๊บตรงนั้นมันมีความว่างอยู่แต่มันเป็นป่าภัยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึก แต่จะสมมติให้ดูไน้าก็คือเหมือนกับลูกโป่งใหญ่ใสอยู่แต่ถ้าเข้าไปปุ๊บมันจบหรือว่ามันเหมือนกับบ่อน้ำล้างถ้าเข้าไปตรงนั้นปุ๊บมันจบหรือว่าขั น, น้มมนหรือว่าบาดเราเนี่ยเอาเทียนไปตั้งไว้เอาเทียนไปแม้ไว้เสร็จแล้วเทียนที่จุดไฟอย่มันลบลงขันจ้องเหมือนอย่างนั้นแหละ พอเกิดอาการนี้มันโชว์ขึ้นมาข้างในสักพักนึงมือขยับใจเริ่มเต้นอ้าขาขยับและอุจจาระแตกยางตายแตกออกข้างนอกตกข้างใ น, งในเกิดอะไรขึ้นอุจจาระแตกมันมีสติล็อกไว้ทวารไม่เปิดมันก็แตกในนั่นแหละเองนีก็เลยเดิน พออ้าวไม่ตายเลยเนี่ยมันเหมือนกับอีกโลกใหม่เลยเหมือนกับไม่เคยเป็นอะไรเลยเมื่อกี้ใส่ฟ้าเรืองไปบอลเลยเดินลงเขาเลื่นสองรอบแต่ก่อนที่จะลื่นนะเนี่ยเดินมายี่สิบเมตรเอาอยีวอพาดคอไว้อตรงนั้นมันชันก็เลยไปโหนโหนต้นไม้ไว้แล้วก็ไปปล่อยอุจจาะที่มาแตกออกปล่อยแบบไม่ต้องเบ่งเลยอ่ะ พระธาตุมันข้างในแล้วไงมันออกแบบโลมากเลยจากกินอะอะไรฐานของหมอเขียวที่พระธาตุน้อ ง, 30, ง, าล ง, ลงสาม0มื่นงานอบรมเราสัมมนาเขาทำที่ไหนฐานดำดำด ำ, ด ำ, ด ำ, ด ำ, ดำอะไรนะี่แตกโลเบาท้องเสร็จแล้วเดินลงมาลื่นสองครั้งลื่นลื่นไม่ล่ลื่นก็นเกิดมาไม่เคยเดินอย่างนี้ เดินที่เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดอันตรายที่สุดก็เดินแบบเบาที่สุดเลยเดินเหมือนลอยลงมาจากเขาอะเววเว ว, ว, วลื่นก็ไม่กลัวไม่กลัวเลยโอ้ยสภาพอย่างนี้มันเกิดกับเรานะพอลงมามาถึงหลวงพ่อปีนั้นหลวงพ่อกาลังจะให้อดัมามาอยู่นี่กับนานกิจให้มาช่วยนันกิตสร้างวัดดอยนี่แหละพยายามแล้วพยายามเรา ถ้าพูดย้อนหลังไปก็คืออาจารย์คงเกติเกยมที่คุณบอกว่าท่านนะท่านต้องคิดให้ดีนะท่านคิดให้ดีนะถ้าท่านไปอยู่กับหลวงพ่อท่านจะไม่ได้ปฏิบัตินะท่านต้องคิดให้ดีท่านออกมาแล้วท่านก็่านตั้งใจจะมาแล้วท่านก็ทําิ่เรื่องนี้เถอะก็เลยไม่ได้ไปอยู่กับหลวงพ่ออย่าบอกว่าผมว่านะอย่าบอกผมบอกนั้นให้ท่านตัดสินใจเอง อันนั้นก็คือหลวงพ่อพยายามที่จะให้มาอยู่กับ น, นันกิจให้มาช่วยในจุดนี้อีนั้นอี53สามพอลงมาก็เลยมาแรงงานหลวงพ่อทั้งเราดับตั้งแต่ต้นหลวงพ่อบอกว่าไวเนี่ยแล้วก็มาคุยกับ น, นันกิจนั่นแลเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำสรงน้ำไอ้ยามตายที่มันออกมาข้างนอกที่มันตกข้างในเนี่ยโยมอ๊ยืนสรงน้ำอยู่นี่กไป อันนึ่งอยู่ขึ้นหรือนนึงอยู่ปากมันยังไม่ขาดเลยความเหนียวความเยอะเข้ามานี่ยเห็นไหมนี่ อ, อย่างตายเนี่ยเยอะที่สุดเลยที่เรากลัวเลยเพราะว่ากลัวตายแต่ไอ้ธาตุมันจะแตกเนี่ยมันเจ็บที่สุดทรมานที่สุดกันแล้วกันไอ้จิตที่มันมีมีมมมมตัวรู้เป็นที่พื่นเนี่ยมันก็จะว้าวเวที่สุดเลยกัแล้วกันนะ<__>เห็นแล้วแต่ทําไมไม่ว้าเวเพราปฏิบัติธรรมประสบการณ์การปฏิบัติธรรมธรรมะที่เรารู้นี่เพราะนั้น ไม่เสียนะเราอ่านมีข้อมูลพระท่านมรณาภาพอย่างไรอย่างไรถึงเวลาแล้วไหลเข้ามาก็ได้ท่านคืออารมณ์ก่อนตายอันนี้พูดจุดนี้ไว้ก็เพื่อที่จะยกจิตใจของโ ย, ย, ยมให้เห็นว่าเรายังไงก็ต้องตายแต่ถึงเวลาตา ย, ยจริงๆเนี่ยถ้าเรามีตัวรู้เป็นเครื่องอยู่แล้วสุดยอดเลยพร้อมที่จะสู่พพใหม่หรือพร้อมที่จะหมดเชื้อก็อยู่ที่เราเองเป็นผู้รู้ ก็เลยเห็นกระบวนการนี้ว่าหลวงพ่อเทียนพูดไว้เนี่ยโอ้โหลูบลูนามเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปโลกเห็นนามโลกเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์ที่มีในเราเลยนะเห็นนิจจังทุกขังนันตาเห็นสมมุติบัญญัติเห็นสมุติปรมัตถ์เห็นวัตถุอาการเกิดดับเห็นดับยังไงว่าไม่ต้องกลับมาเกิด นี่นะนี่คือสูตรสําเร็จเลยจากการทำความรู้สึกตัวอย่างเดียวที่ไม่มีเจตนามากนก น, นะถ้าความรู้สึกตัวที่เป็นเจตนาทั่วไปในธมาว่าจะว่าเป็นเหล็กเส้นเหล็กแผ่นอะไรได้ทั้งนั้นเลยถ้ามีเจตนาพอเข้าไปลึกๆแล้วมันไม่ต้องเจตนาแม้แต่การรับรู้ก็ยังมาบังความว่างเลย จะสังเกตได้จากการถ่ายหนักถ่ายเบาเมื่อเรามีไปไหนมาไหนเราก็รู้สึกกับการเคลื่อนไหวของเราอยู่ช่วงถ่ายเบาเนี่ยเราเข้าไปนั่งกายกับใจก็จะรวมกันเป็นหนึ่งธรรมชาติรอบตัวของเราในห้องนั่งมันไม่มีอะไรมีธรรมชาติล้ลวนมันรวมเป็นหนึ่งอ๊บมันไม่มีความตึกนึกความคิดอะไรแต่พอ ใจเรามารับรู้กับอาการเคลื่อนไหวเพราะเราเคยชินกับการเคลื่อนไหวใช่ไหมพอใจมันมารับรู้กับการเคลื่อนไหวความว่างชนิดนั้นหายเลยเห็น <He ard S 2> ไหมนี่แค่ใจมารับรู้กับความเคลื่อนไหวนะแต่เราไม่ได้เสียดายความว่างเพราะฉะนั้นจะให้เห็นว่าระหว่างการเข้ามารู้กับการเคลื่อนไหวโดยไม่มีเจตนาไวนะ้เนี่ยถือว่าใกล้เคียงสุดท้ายของมันที่สุดแล้วแต่ถ้าเรายังกาหนดอยู่มันยังไม่พอเราก็ากำหนดไปนะกําหนดไป แต่ถ้ามันเป็นอตนัตโนมัติแล้วเนี่ยแม้แต่การรับรู้การเคลื่อนไหวก็ไปบทบังความว่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นทําอย่างไรจะทําแบบไม่มีเจตนาเข้าไปให้มันเป็นอุปสรรคมันจะได้มันจะได้เชื่อมกับความว่างได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ก็เอาประสบการณ์ก่อนเข้าวัดกับการปฏิบัติกับการ เก็บอารมณ์กับการเข้าไปที่ไม่ติดครูไม่ติดอาจารย์กับการที่สภาวะธาตุแตกแต่มันย้อนกลับมาได้หลายปีที่ฟื้นมาระหว่างเบ้าตาซ้ายกับด้านซ้ายเนี่ยยังมันมึนอยู่เลยแล้วทุกวันนี้ไม่รู้นะทางหมอเขาว่าไงแต่ตมาเนะี่ยไม่ได้เป็นตัวหมอเลยแต่ตมามีความเพี้ยงเกิดขึ้นระหว่างบอกเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาจะพูดกับข้าง เพ่นั้นต้องระวังแล้วผลจากการที่มันแตกอย่างนี้ด้วยแล้วผลจากการของเราที่ดูสภาวะกายขึลนไว้ใจคิดนึกแล้วก็ไม่ได้สนใจกับบัญญัติอะไรมากนะักมันก็เลยไม่จำอะไรไงโยมนี่รู้แค่หน้าแค่นั้นแหละแต่ให้บอกชื่อก็ไม่ไม่จำเห็นไหมมันไม่จำมันก็เลยเหมือนกับว่า บางทีเนี่ยโอ้มันเหมือนจะไม่ยึดอะไรบางทีมันมันเหมือนเราจะจะหลงจะเส่อไปหรือเปล่าทีนี้สมองก็อย่างหนึ่งใจที่มันจะไปจดไปจำาก็อย่างหนึ่งพอมารับรู้อาการเคลื่อนไหวแล้วมันหายสงสัยก็สมมติมันหยัดก็สมมติปละมัดแล้วมันก็ไม่อยากยุ่งกับอะไรแม้แต่วันนี้ไปฟังประชุมกันโยมคนนั้นขึ้นระขึ้นโยมขึ้นตามองโยมอยู่แต่ใจมันดูใจเฉยๆอยู่ จะก็เพื่อมไม่กเพื่อมก็เฉยๆว่างๆอยู่พออะไรเป็นอย่างนั้นก็เพราะเรารู้ว่าทุกอย่างที่บริหารจัดการมันเป็นสังขารก็เอาสังขารไปจัดการสังขารไปแก้ไขสังขารคือมันไม่จบไงแม้แต่ความรู้ธรรมะก็จริงไงจะดีขนาดไหนอ่านแล้วจะบันทึกจดจำยังไงวะมันก็เป็นสังขารไงที่นี่เราก็ใช้สังขารตั้งแต่ในไปให้ฐานรักษาศีลทาความสงบ มีสมาธิระดับนั้นระดับนั้นระดับน้เป็นสังขารฝ่ายดีทั้งนั้นเลยแล้วถ้ามันมีสังขารอยู่คว่างจะมีไหมมันก็มีว่างสองอย่างว่างที่รู้แต่ไม่เข้าไปร่วมในสังขารเห็นไหคิดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตึกอยู่แต่ไม่ร่วมนี่ก็ว่างอย่างหนึ่งแต่ว่างอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเองมันเป็นขอามันเองมันก็เกิดขึ้นมาไอ้ว่างชนิดนี้เป็นความว่างที่เกิดขึ้นภายในใจ โลภกรหลก็ไม่มีในนั้นเพราะมันไมีมสังขารแต่มันอยู่ไม่นา น, นแล้วเดี๋ยมันก็หายไปแต่ก็มาใหม่แต่ขึ้นอยู่กับความเพียร่องเราเราก็ไม่เป็นไรคุับหายไปไม่เสียดายไม่แสวงไม่ค้นหาเหตุมันอยู่ที่รู้สึกตัวปัจจุบันขณะขณะขณะที่ไม่มีเจตนานี่คือเหตุมันค้นมั น, น, มนเกิดเองมองใจยอมรดไ <laughs> ม่หลุดมาทางนี้หมดน <laughs> ะใช่เรามาเพื่อที่จะ มาใช้สังขารให้เป็นกับหยุดเย็นไม่มีสังขารกวนใช่ไหมอันนั้นคือเป้าหมายทีนี้เราก็มาสร้างเหตุอันนี้ที่นี่หลวงพ่อมาหาท่านท่านมีความรู้ท่านแตกฉานทั้งปริยัติเนี่ยปฏิบัติท่านก็ศึกษาวิเคราะห์ อ, ออกมาแกะอารมณ์ออกมาให้พวกเราได้เดินตามแกะปริยัติออกมาเทียบโอ้ามาว่าพวกเรานี่เดินง่ายที่สุดนะ แค่รับมองด้านในติดรถธรรมาสิบสองปียันปวดเลยทุกวันนี้ธรรมมาก็ยังไม่ที่ไม่ทิ้งนะนี่ไม่ทิ้งนะเก็บอยู่ที่สำนักอะไรเก็บอะไของหลงพ่ อ, อกเก่าอาจารย์มหาภัยไปนี่อาจารย์อภัยเนี่ยอยู่อเมริกานะเออท่านผมฝากท่านหน่อยแน่นะโอ้มนนกในใจมาฝากเราไม่ได้เหรอเราไม่ค่อยเป็นคนไปหาใครพูดคุยยกแทงฝากอะไรด้วยหลวงพ่อมาหายังไม่เสียเนี่ยใกล้ๆที่หลวงพ่อจะเสียนี่แล้วผมฝากท่านหน่อยนะ ผมฝากท่านเก็บท่านไปเห็นนาจมาเก็บข้อมูลเทปคัลเสชันของหลวงพอ่อหนังสือหลวงพ่อเนี่ยผมฝากท่านเก็บข้อมูลหนังสือหลวงพ่อไปด้วยนะจะได้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เอยแล้วก็ครับๆไปกันแต่ไม่ได้สแสวงหาที่ไหนเลยเพราะบรรดคนแคบเนี่ยอยากจะบอยู่ ป, ป่าธรรมดาก็าเก็บเท่าที่เรามีก็ถือว่าของหลวงพ่อมหาเนี่ยเป็นสมบัติล้าค่าข้อมูลทางธรรมต่างๆ อาตมาเคยทำหน้าที่ให้ท่านตรงที่ปีหนึ่งปีสี่ห้าปีฉลอง 10, 5, สิบปีแพทเแสงเทียนพะงานเสร็จท่านให้อาตมาเอาหนังสือไปเผยแพร่ผากกลางก็ไปที่นครสวรรแหละใส่ไปในแคบรถอจนเบาะยุบเลยนะหนังสือหลายปกแล้วก็หลายเล่ม ติดต่อไก่ลาดเซ็นเตอร์บุกไก่ลาดเซ็นเตอร์แฟรี่แลนซ์ห้างประเสศรพสินค้าวิถีเทพสรสินค้าลานดอกยาดอกยาเขาเอาแต่เขาเอาเยอะเขาเป็นหมืง่งของเราไปไม่ถึงก็ได้ไปวางหนังนะสือหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่ต้องการไรายได้หลวงพ่อต้องการให้โยมเขาได้อ่านหนังสือดีๆแค่นั้นเองเขาก็หักร้อยละยี่บาท อาตาบาก็ไปคอยเช็คคอยอะไรตามนั้นยังเอาไปฝากขายร้านขายหนังสือโป้ขายเล่าขาวด้วยนะเพราะอะไรมันคุ้นกันก่อนบวชเราไปใช้บริการเขาไงใช่ไหมเออบุหรี่เล่าขาวหนังสือโปเห็น เขาไปฝากเขาเนี่ยตอนหลังสิบสองปีนี่เราเปลี่ยนไงจากที่มันเห็นเรามาอย่างงี้อย่างนี้พอเราเข้าวัดเรามาเป็นอย่างเนี้ยมีที่ไหนใส่ชุดขาวค้ายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในเมืองสิบสองปีจเจริญสติรู้กับการเคลื่อนไหวกับงานอย่างอาจารย์พันธ์ในพา ท, ทำในถูกแล้วทําไปเถอะพอเคลื่อนไหวรู้เคลื่อนไหวรู้ป้าคนว่าไอพ่อค้าคนนั้นนะ่ะไปเช็คหนังสือไปอะไรมันไม่เอาสักบาทเห็นไหย มันไม่เอาเลยค่าเปอร์เซ็นต์น่ยตอนหลังรู้ขาวมันบวดแล้วเพราะถามาออกวดเขาวกเลิกกันเลิกออกวดอยู่อยู่วัดเกาะหงอยู่วัดเกาะหงนะครับอะไรประมาณนี้อยู่ตรงนี้ที่มีไอ้ไม้ตะเคียนเยอะๆนะตะเคียนเลือนอยู่ตะเคียนเลือนประมาณนี้ไอ้ น, นั่นก็คือที่ไปที่มาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประกอบ หนึ่งโยมจะได้ก่อนตายเพราะประสบการณ์ทุกคนเหมือนกันใครจะเกาะลมอาณาปาก็เกาะใครจะรับรู้เคลืค่อนไหวก็รับรู้อะไรทุกอย่างได้หมดเพราะออกมาจากสูตรพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราจะเตรียมตัวเปลี่ยนภพภูมิของเราจากหมดลมหรือจะหมดภพภูมิก็อยู่ที่เราเองประกอบความเพียนไปทายนี้ก็มจนาสาธุ ในเจตนาออกมาประพฤติปฏิบัติกันอาตอม า, าพาไปเจินทางตีสามพวกนี้ไปกับพระอาจารย์ <c oughs> สมพง์กับพระอาจารย์ประสิทธิ์เยี่ยมหลวงพ่อบุญธรรมแล้วก็จะกลับสำนักเลยอาจจหยืดต่อไปก็ <c oughs> เดือนหน้าอาจจะมา ร, ร่วมอีก <c oughs> เอาขอให้กุศลมนุญย์ธรรมะที่หลวงพ่อได้แกะวิเคราะห์แจกแจงมาให้พวกเราได้ใช้อย่างสะดวกสบายแล้ว จงเกิดมีแก่จิตแก่ใจของเราทุกคนทุกท่านสาธุสาธุตั้งื่อว่าไงดีธรรมะขี้ขี้เริ <c oughs> ่มตนน้นด้วยขี้จบลงที่ขี้ เมื่อเช้าได้ยินใครพูดเรื่องบรรจุพัณฑ์ในโลกเนี่ยเนาะสิ่งที่เขาอวดกันที่สุดคือบรรจุพัณฑ์เข้าใจบรรจุพันธุ์ไหมเราจะซื้ออะไรแต่ละอยา่างมันจะมีหีบห่อใช่ไหมขนมสักถุงหนึ่งหีบห้อมันจะทํำหีบห่อให้ดีที่สุดข้างในยังไงอีกเรื่องหนึงเราซื้อ โทรศัพท์สักเครื่องอย่างเงี้โทรศัพท์อันหน่อยเดียวแหะแต่หีบหอ่อเยอะมากเลยเกินความจาเป็นโลกนะ่ะเขาโชว์กันที่หีบหอ่อแต่ตัวข้างในเนะี่ยบางทีไม่ได้มีสาระอะไรเลยแต่การภาวนานี่ธรรมะนี่หีบห่อไม่ค่อยสวยพระอะไรพูดเรื่องต่กี้โผล่มาก็กินเหล้าโผล่มาก็ขี้ แตเนื้อหาสาระสิ่งที่เป็นปัจจุภันฑ์ข้างในคําเหล่านั้นการเคลื่อนไหวของหลวงพเทียนก็เหมือนกันการภาวนาแบบสายหลวงพเียนเราเนี่ยนะหีบพอดูไม่ค่อยได้เลยใครบ้างที่ภาวนาแบบหลวงพเจนใหม่ๆนะโอ้ยยกมือแล้วปึ้งปึ้งปริ่มกันยกมือบนะ้างเนี่ยมีไหมอาตมาคนหนึ่งเละหันเหลือซ้ายเหลืขวาเป็นภาวนาใหม่นี่ไม่เอายกมือเดินอย่างเดียว พอเริ่มได้อารมณ์ล้วแหละค่อยมาเริ่มยกมือบัรจุพันธ์มันไม่สวยบัจจุพันธ์กรรมวิธีภาวนาพวกเราไม่สวยแต่เนื้อหาสาระแก่นสารสาระที่อยู่ในการรูปบรรจุพันธ์ที่ไม่สวยเนะี่ยมันพึ่งพาได้ไหมกันทั้งเวลาจะตายน่นน่ะเนื้อหาสาระของสิ่งที่เราทำไอ้รูปรักษที่มันดูแปลกตานีนะ่มันมีของดีซ่อนอยู่ในนั้น เพชรกว่าที่มันจะแย่กว่าที่มันจะสวยเดิมทีมันก็เห็นธรรมดาไม่ได้ต่างกันแต่พอมันผ่านการเจียระานผ่านการหงุงผ่านการลบเหลี่ยมคัดเอาสิ่งที่เกินออกเอาสิ่งที่เป็นมลทินออกเมื่อเหลือแต่ตัวที่เป็นแกนสารสา ร, สาระไม่ว่าคำพูดเหล่านั้นจะใช้คำพูดแบบไหนแต่ตัวสาระที่มันเป็นคุณค่าแท้ของชีวิต คุณค่าแท้ของคําแต่ละคําจะปรากฏจะปรากฏออกมาเหมือนกันเมื่อเราเอาภาวนาการทำทําลงไปเมื่อถึงจุดหนึ่งสติที่เราใส่ใจทำเนี่ยเป็นเบือเบ้องต้นเบื้องต้นใส่ใจทำใส่ใจรับรู้ใส่ใจไปเรื่อยๆรื่พอมันเริ่มใส่ใจมันเริ่มจับอาการได้ใส่ใจให้น้อยลงบริหารจัดการให้มากขึ้น อย่าให้มันแช่เกินไปอย่าให้จมกับโลกจมกับความคิดจมกับอารมณ์นานเกินไปให้สติมันทำงานทำหน้าที่ของการรับรู้รับรู้กายรับรู้ใจรับรู้ไปเรื่อยๆมันพัฒนาได้เต็มที่มันจะขึ้นไปสู่ระดับของสติปารมัตสติธรรมชาติสติแท้มันจะเป็นเหมือนอาการปวดอาการเมื่อยจะเป็นเหมือนความโกรธจะเป็นเหมือนความโมโหจะเป็นเหมือนความหิว จะเป็นเหมือนความสุขคือเป็นเพียงอากาศเท่านั้นอาการที่เกิดขึ้นเองเมื่อ น, นั้นจะเป็นสติระดับปรมตที่ไม่ต้องเจตนาไม่ต้องทำอะไรแต่จิตจะมีทักษะในการรับรู้เรียนรู้วนโยกกายโยกใจเมื่อ น, นั้นชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอีกโลกหนึ่งเลยเมื่อ น, นั้นใครถึงตรงนี้นะไม่กลัวตายแน่ๆ น, นรกสวรรค์เอ้ยไม่ต้องมาพูดหรอกว่าจะกลัวตกนรก นรกสวรรค์มีไหมคุณจะมั่นใจไหมก็ต้องว่าต่อให้นรกอยู่คอปอเนี่ยต่อให้เราตายตอนนี้เราไม่หลบไปขนาดนั้นได้สติปัละมัทนะดืนยันกันเราได้ขนาดนั้นนรกสวรรค์ไม่มีคนกับเรามั่นใจโดยตัวเองโดยธรรมชาติเลยจากอีพอที่มันดูเป็นแปลกตาเนี่แหละมันพาเราไปได้ขนาดนั้นวันนี้ก็ให้กําลังใจเนาะให้กําลังใจทั้งคนใหม่คนเก่าเติมกําลัง ล่าสู่กันฟังประสบการณ์คนนั้นประสบการณ์คนนี้บางทีก็น่าอิ่มขึ้นประเทศมั้เนาะเอาไว้วันหลังดิฉันเปลี่ยนกันว่าฟังพระเยอะนะพระมีน้อยโยมมีเยอะกว่าแต่ที่ให้พระเทพก่อนหนึ่งคือเคารพตามสมมตุติสองคือวิถีชีวิตของพระพระมีเวลาเยอะเพราะพระกินกันนอนพอไม่ต้องไปทําไล่ไถนา เลยมีเวลาที่จะทําเรื่องนี้อยู่กับเรื่องเหล่านี้ใส่ใจกับเรื่องตายเรื่องใจเรื่องภาวนาคน้นคว้าวิเคราะห์แยกแยะลงมือปฏิบัติจนสัมผัสจนเข้าใจจนวิเคราะห์วิจัยออกมาได้เหมือนหลวงพ่อมหาท่านสามารถจําแนกแจกแกงสิ่งที่เป็นเป็นเพียงความรู้สึกมีขนาดอะไรเกิดขึ้นนี้ท่านสามารถจําแนกแจกแกงมันได้หมดเอาชื่อไปใส่เอาภาษาไปใส่เรียกจะเราเข้าใจเพราะ วิถีชีวิตพระมีเวลามีเวลาที่จะนั่งดูนั่งวิเคราะห์นั่งแยกแยะหน้าที่ทางโลกของชีวิตคารวะบางทีทำให้เราไม่มีเวลามากพอไม่มากพอที่จะมีเวลาลงรายละเอียดกับเรื่องเหล่านี้พระเลยเมื่อมีเวลาลงรายละเอียดเมื่อถึงเวลาที่ต้องทําหน้าที่เราก็ขึ้นมาจําแนกแจกแจงบอกกล่าวในแง่มุมที่เราได้รู้เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมตอบแทน ตามหน้าที่ตามโลกวันนี้ก็หวังว่าพวกเราทุกคนทุกท่านน่าจะได้สาระประโยชน์ป็นครบถ้วนบริบูรณ์เนะาะคืนนี้เอาไว้แค่นี้กลับมาพร้อมๆกัน